ตัวนี้ไปก็ขอการพัฒนาเสนุ่คคพระประพาติเจ้าวาดวัดพิรูลสาวาสกรรมการมหาธิรสมาคมเจ้าประทาสองเจ้าวาดวัดพิลกระติบาีิมา เป็นประโยชน์ต่อประสงค์สมัยที่อาศัยอยู่ร่วมกันภายในวัดปิโรขาวาัดซึ่งต่อไปขอกราบประธนานในพิธี์่าระโลอรองศุลกัลพันธิราอุเทรั ท, รทุกคนเป็นประเพณีปฏิบัติของสำนักเรกาแต่ต้นนะครับว่าเมื่อถึงอยูการคขาพรา ที่เรามาอธิษฐานร่อมกันประทานสงคือนเจ้าว่าก็จะได้พบปะให้ความคิดในนโยบายในการทำงานร่วมกันและยุ่ร่วมกันของพวกเราในแต่ละปีซึ่งวันของเราเป็นวัดใหญ่ขนาดใหญซึ่งมี ผู้จับนิสาจำนวนเป็นร้อยรุ่ขึ้นไปถึงว่าวัดขนาดกลางวัดขนาดใหญ่่างนี้ก็ประมาณสา0ร้อยสรอยร่ไปต่ำกว่าวัดเราก็จะเป็นวัดขนาดเล็กๆต่ำาร้อยหนึ่งร้อยถึงสองรอยนี่จะเป็นขนาดกลางเมื่อเราอยู่ก่นจํานวนมากถ้าใน ตกลงกติกากันว่าจะทำอะไรไปในทิศทางเดียวกันวันก็จะมีความจะระดึกล้ามหน้าเพราะว่าเราไม่ใช่วัดใหญ่มากคนมีไม่มากทรัพย์พยาาก่อก็มีไม่มากจึงจะต้องกำหนดเป้าหมายให้ภายเรือไปในทางเดียวกัน ถ้าเรารเรือลำเดีวกันแต่พาไปคนละด้านคนหนึ่งไปเหนือคนหนึ่งไปใต้เรือมันจะวนเพราะฉะนั้นก็จะต้องบอกเป้าหมายว่าในแต่ละช่วงที่เราจะไปทไหนจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาเราเรียกย ก, การปรับทิศทางของเรือแต่ละครั้งว่าเป็นกลยุทธ เป้าหมายระยะยาวเป็นยุทธศาสตร์5ปี10ปีข้างหน้าวัดเราจะเป็นอย่างไรคณิตยุทธศาสตร์ถ้าแต่ละปีจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวิหยุดเราเรียกกลยุทธ์แปลว่ากลยุทธ์คือปรับตามสถานการณ์เป็นแผนระยะสั้นถ้ายุทธศาสตร์เป็นแผระะรรนแผระยะยาวยุทธศาสตร์ของวัดประยุกต์คืออะไร คิดว่าได้ปุ่นข้างนอกมาไบ่อยแต่ละ ว, วันนี้มียุทธศาสตร์แกต่กันยุทธศาสารของวัดประยูรเนี่ยผมขอพูดให้ท่านทั้งหลายเห็นภาคหลวงว่าวัดประยุรวงศา ว, วาเนี่ยปีหน้าคงหนึ่งเก้าสิบปีสร้างตั้งแต่ 2,300 เจ็ดสิเอดสองพันสาร้อยเจ็ดสิบเอ็ดปีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดคิดง่ายง61หกสิบเอ็ดปีหน้าถ้าต่อไปอีกสิบปีเป็นเจ็ดสิบเอ็ดเราจะครบสองร้อยปีเพราะฉะนั้น6กสิบเอ็ดไปถึงเจ็ดสิบเอ็ดนี่ยมันขาดไปสิบปีถึงสองร้อย เราจงนับเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบปีปีหน้าแล้วหลังจากปีหน้าเราจะนับถอยหลังหรือสองร้อยสองร้อยปีเก้าปีแปดปีเจ็ดปีแล้วก็สองร้อยปีหลังจากนัก้นจะไปไหนก็ไปก็นับถอยหลังกันแล้ว 6, 3, 8, 7, สิบเก้าแปดเจ็ดศูนเกคือสองร้อยปีเป็นเป้าหมาย ทีนี้ในร้อยก้าสิบปียุทธศาสตร์ของวัดเนี่ยมีเรื่องเด็ยและทางไปวันนี้มีลักษณะเฉพาะแกตวันอื่นท่านทั้งหลายเข้ามาในวันนี้ก็ต้องกลับไปตามยุทธศาสตร์วัด น, นี้ฉะนั้นท่านก็อาจจะรู้สึกไม่ ไม่เหมือนกับว่าเป็นคนหนึ่งของวันนี้ถ้าท่านไม้มีจุดนี้ท่านก็เหมือนคนนอกหรือมัลไซผู้ที่เข้ามาในวัด น, นี้เนี่ยเนือ่องจากวันนี้กำหนดยึทษศาตรโดยเจ้าว่ารูปที่สามนะ สมเด็จพระพุธโรษาจารย์จีท่นนทานกออวัดสี่สิบกว่สร้างวัฒนธรรมของวัดสร้างบุคลิกลักษณะของวัดก็คือให้เป็นวัดที่เน้นกา ร, รเผยแพร่เน้นการเทศการสอนฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะระดมไปสู่ เป้าหมายเดียวกันหอดคือการเทศการสอนและพักที่จะเจริญในธ า, ารางนี้เนี่ยคือพักที่ทำหน้าที่ในการเทศในการสอนมันไปด้วกันหมดใครจะในจรับการยกย่อมต้องออกเทศออกสอนจะรูปแบบไหนก็ได้ จะพูดจะเขียนหรือจะนั่งกรรมาฐานก็ได้แต่ไม่้อยู่เฉยๆและจะได้รับการยกยอ่องที่กำหนดอย่างนี้จะต่างกับวัดอื่นวัดอื่ น, ว, นวัดใหญ่ๆเนี่ยเขาเป็นเน้นการปกครองเจ้าวาเป็นเจ้านักสายปกครองะระดับสูง ผู้ที่ทำหน้าที่ในสายปกครองมักจะได้รับ ก, การยกย่องสื่งตอกันเดี๋ยวก็ขึ้นตาแหน่งเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะ น, นี้เขาจะเป็นวัฒ น, นธรรมของวัดในของในส่วนนี้เนี่ยท่านในเจเห็นสะท้อนหรือว่าอยากเป็นนักเทศน์ให้ถวัลยประยุน์ อยากเป็นเจ้าคุณใี่วัดมหาธาตวัดมหาธาตสมัยโน้นเป็นวัดพระสุรามีเจ้าขนัะใหญ่เจ้าขนัะตรวจการภาคย่อกยัดมาวัดมหาธาตจึงเป็นเจ้าคุณกันในสายของตรทองแม้แต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จีเจ้าวาท่านไปอยู่ที่ได้เป็นสมเด็จ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จในปี 2,400 2,400 ในคำประกาศให้เจ้าบุตรสมเด็จเป็นสมเด็จเพื่อไปครองวัตรผาา่านเป็นเจ้าคนะใหญ่ของกลางเจ้านณะกลางนะั้นแล้วก็เป็นสมเด็จเสภูสาจาก ต่อจากสมเด็จพระโมญอาจารย์ชิวไปกร ว, วัดมหาธาตุเพื่อเป็นจำพรราใหญ่คนกลางครับวัดประยูรเล็กเขาไม่ให้เป็นสมเด็จที่หรอให้เป็นสมเด็จแล้วย้ายไปวัดมหาธาตุในปีสองพันสี่้อยสมัยรัชกาลที่สี่ในปีนั้นเนี่ย ผู้สำเร็จราชการเตยหรือว่าผู้สนองงานราชการพอดีราชการที่สี่ก็คือสมเด็จก็คือเจ้าพยาสีสุวิวงศ์ซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จเจ้าพยาพระมหาสีสุวิวงศ์ช่วงนุนหน้เป็นคนที่เป็นทุนเชิญราชการที่สี่ลาขนบมาเป็นราชการพอดีเพราะฉะนั้นจึงขออะไรกันล่ะ ขอว่าให้สมเด็จจีเนี่ยพร้องวัดตระกูล บ, บุ ญ, บญนาต่อไปไม่ต้องไปวัดมหาธาคณนะสงฆ์เนี่ยประสองค์จะให้ท่านเป็นสมเด็ดจและไปวัดมหาธาแต่โยมประจำตระกูลสมเด็จชัว่วขอพระเจ้าแผนดินว่ า, วาให้เป็นเจ้าวาดวันนี้ ในที hi, hm ่สุดก็มาลงเลยว่าเป็นเจ้าวันประยูนต่อแต่ให้เป็นเจ้าคณะใหญ่บนเหนือท่านก็เป็นเจ้าคณะใหญ่บนเหนือแล้วก็อนไปรยูนเจ้าคณะใหญ่ตาเนี่ยต้องไปยงนาสานานก็ไม่ได้ไปในสายบุกครองเต็มส่วก็อยู่ประยูนแล้วเป็นสายหวยแผ่ต่อมานี่คือการสร้างประเพณีของวัดเจ้าคณะใหญ่อ่สายการเผยแผ่เจ้าคณะใหญ่บนเหนือ แลเราก็ทรางกรณีว่าในยุคนั้นเนี่ยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไม่ดเราทเพสร้างเสร็จทุกอย่างพร้อมบริูพระในยานที่เจริญมากมีสถิตถึงสองร้อยรูปนะันไปอยู่สอบบาลีก็ได้เยอะด้วยมีบันทึกไว้หมดในจดหมายเหตุนะเพราะฉะนั้นในยุคต้นเนี่ยจึงมีพระนักศึกษา นักเทศนักเผยแผ่รูปงเรืองมากส่วนเรการประพรมไปอยุ่วัดมหาธาตอยากเป็นเจ้าคุณจะไปอยู่มหาธาตแต่อยากเป็นนักเทศนวนไปอยู่ในยุคเนี้คามันเกิดขึ้นอย่างไรพอเรามาเป็นวัดนักเผยแผ่ผมถือว่าสอบสื่อเรื่องปันจจุบั น, น, บนคือเอาพระก็จะมาเน้นในด้านไห อามาถปฏิบัติ้กันนะครับเมื่อเราถือเอาการเผยแพร่เป็นตัวตั้งการปกครองก็ต้องเสริมการเผยแพร่การเผยแพ่เป็นเป็นเป็นแกนก่างนะครับในการบริการกัจะอยูนเ่นแกนจะอยูนที่การเผยแพนปกครองให้เรียกร้อยอยากให้มีอธิกรณ์อยาให้มีเรื่องเวลา อย่าให้โยงเสื่อมสัตยาเขาจะได้มาเข้าวัดเขาจะได้มาสมุดเราเราจะเน้นเรื่องความเรียบร้อยเนี่ยหลวง่อพุทาณเน้นเดินสองอกสุสีไปไหนไปบริเวณสาราสรก็ผมท่าเรียบร้อยถ้าเราไม่เรียบร้อยเราไม่ได้ปกครองให้เรียบร้อยโยงเสื่อมสัตยาเพราะจะได้การปกครองทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดสัตยา ศรัทธาเป็นฐานของการเผยแพร่เรื่อง ก, การศึกษาบัตถ้าท่านไม่มีความรู้ไม่จบนัวยตัเองไม่จบป ร, ริญญาอะไรเลยท่านจะเทพจะเผอแพรเได้ย่งางไเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาจึงจเป็นเรื อ, กกองจำเป็นสร้างบุคลากรใพ้่อรองเมือ่อเทศเพืเ่อเผยแพร่อย่างจริยธวันนี้เนี่ย เกินครึกนะครับจบปริญญาตรีหรือเป็นปริญญาเราจะร้ อ, องที่จะเผยแพ่เจ้าหน้าทีก้าสิบเรูปการศึกษาเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่การศึกษาสเพราะคือทุนนามวทิต์โรงเรียนอสอบทางรัศดานเป็นการเผยแพ่ในจบ พวกเราที่อกไปสอนโรงเรียนพัธศสนาวนันอทิตสอนธรรมศึกษาเพราะมีการศาึกษาเพราะมีศิลปะในการวิเากษแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ว่าธรรมศึกษาของเราอะติดท็อปเทนสอบได้อออของของกรุงเทพมาระหวนศึกษาส่งเพราะมาเรื่องสารสนเทศ สาราประกาเนี่ยเราสร้างอาคารสถานที่ให้มนหนาเริ่มตั้งแต่พระเจดีย์ก่อนตั้งแต่สร้างวัดเรามีเป็นวัดเดียวในกรุงเทพมหานครนะครับที่มีพระเจดีย์ที่สูงใหญ่ที่สุดครองสถิตมา180ร้อยแปดสิบปีจนมีเจดีย์ที่สูงกว่าเราเพื่อสิบปีทีแล้ววัดต่า ผู้สร้างวัดเนีเขาไม่ได้สร้างเจดีย์ไว้อยู่อาศให้คนมากราบวไหว้มาบูชาเป้าหมายคือเผยแผง น, นั่นเรืออะไรคงน้ำได้เห็นพระเจดีย์น่ยจะถึงพระศา ส, สนาเราอยู่ในจุดสมัยก่อนเนี่ยคือกระทรวงต่างประเทศตรงนี้เจาา้าพญาพระตาิเนี่เป็นตัวฆ่าเป็นกระสุนการต่างประเทศ หน้าวันที่มีแต่สลัก บ, บางข้ารูขุมบทันหินจริงเพราะฉะนั้นเมื่อมาเห็นสยามเห็นมันก็คือเห็นสัญลักษณ์ลักษณะคือเจดีย์สีขาวอย่างนี้การเป็นสัญลักษณ์ก็คือวันนี้เป็นศูนย์การเฉลี่ยแผนสารร่วมกานเพื่อการไปแี่ยแล้วก็หลังจากตะ บ, บนู น, นบนุญนาบบุญอำนาจนะครับ วัดเราไม่ได้มีการส่อมแทมใจเลยจนเวลาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแม้แต่หลังคาโมู่ที่กะเดิ่งขึ้นไปแล้วรับภาพเผากระดหายไปก็ไม่มีเงินจะซ่อมตอนหลังเนี่ยเรามาระดมทุนด้วยการใช้ที่ดินของวัดหลังสงครามโลก สร้างอาคารทาณิชย์ถนนประชาธิปปุกให้คนมาอยู่อาศัยและก็จ่ายเงินเก็บเงินเนี่ยเอามาบรุงวัดอาคารธนาคารทำไปตรงเป็นโรงเรียนออกรทมเราก็ไม่ไมีปัญญาจะซ่อมหรือแต่รูปถ่าสรุปแล้ววัดของเราในเรื่องของสารคุปตานี่ไม่มีสายจะิญรุนหน้าที่ ใกล้ชิดกับวันในสมัยก่อนมาช่วยประหลังเราก็ตกไม่สามารถจกบกุนัจปฏิสังขรณ์แบ่แต่ภ า, าพฝ่านักได้ธนาคารก็องาักไปมีเขาหมออะไ ร, ต, ะไรต่างๆเราก็ซ่องไป่ได้แต่ทีนี้โบราณเนี่ยของสร้างวัดให้รูปหลางมาเล่นเนี่ยคือเผยแ ม, ม่มีใครในโรงเรียนแถวนี้ที่ไม่รู้จักขาหมอเด็กๆ เรียอยู่แถวนี้ต้องเคยเข้าวัดไปอยู่นกันดึงคนเข้ามาแล้วเนี่ยสารบูรการจึงการซ่อมสร้างมันคือการนำคนเข้ามาชมมาเที่ยวแล้วเราก็ถือโอกาสที่เขามาชมมาเที่ยวนีนแหละสอนธรรมะเพราะฉะนั้นสารบูรการจึงเป็นไปเรื่อการเผยแผ่วัดเรานี่ยปกครองศึกษ า, าการ สารษาเฉพาะเราทำมาแต่เนื่องจากเรามีคุนรอจำ ก, กัดสารสนเทศก็ตกตกไปนะักนหะักไม่สามารถเป็นจุดขายในการเผยแพ่ไนดะ้มาถึงยุคนี้เราได้รับการอุปถัมภ์จากสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จุดขายของเราต่างแล้วตรงนี้หละนี่ทุอย่างน่นาได้ตระหนัก ถ้าขวามาจากที่สังเถี่เนี่ยถ้าไม่ได้เงินประถมอย่างสะดับสัตติก็มีไม่ได้มีเงินก็ว่างไม่ได้เพราะต้องใช้คนระดับกรมศิลปากรที่จะให้มาดึงไม่ใช่มาดใหม่ดือมันซ่อมเงินซ่อมต้องไม่เหมือทข้างหลัยุคเดียวกันชั้นใหม่เขาไม่เอาหรอกโบนข้างหลังเนี่ยว่าอย่างเดียว ก็ว่าดไม่ได้น้ำมันจะซึมขึ้นมาท่านจะสังเกตเห็นเห็นจุดตรงขอน้ำมันจะซึมขึ้นมาสมัยหนึ่งเราหินอ่อนมาปิไห้น้ําัก็ยังซึมงจะท่านท่าเนี่ยหลุดหมดตามเสาเลยแต่ตอนนี้จะไม่มีซึมขึ้นเพราะสักงานทรัพย์สินโทรสารเนี่ยซ่อมให้ทั้งข้างนข้งล่างั้นขึ้นเลยหม โดยตัดทั้งทั้งหลังเลยถ้าทัานมาดูตอนตอนซ่อมผ้าถีบของเนีเขาอ เ, เ, เอาเหมือนกันเอาไม้เฉือนเต้าหู้เลยเป็นช่อ ง, ลงเลยทั้งหลังเลยแล้วก็ฉีดกาวซีเมนเข้าไปมันจะแข็ตัวล็อกล็อกน้ําไม่ให้ขึ้นทั้งหลังเขาเรียก ต, ตัดตัดโบกทั้งหลังฝีมือระดับ กรงสินสำนักสิ่งเขาต้องกาทำได้และเขาก็มาทําให้เราทาให้เราเสร็จเขาจึงมา ท, ทําผ้าฝาผนัรับรองให้มีน้ำชื้นจะมีถ้าไม่ตัดตรงนี้ทําไม่ได้เมื่อเราได้สิ่งที่มีคุณค่ากลับมาเน ง, ง่ยผมจึงกําหนดเป็นอธิบายนะครว่านี่คือจุด ข, ขายเดี๋ยวนี้ในฐานะเจ้าวาดเนี่ยผมได้รับการเสือขออนุญาตชมวัดมากมายนะ และไม่ได้มาเมื่อมาชมอย่างเดียวเพราะขอฝังธรรมะผมรูปเดียวไม่มีทางธรรดะต่อไปนี้ก็จะเป็นงานของพวกเร า, เเราโดยพวการโดยเพลยที่จะต้องตั้งรับให้ดีเมื่อสิบวัน เ, เพื่อเึิ่เดือนที่แล้วรอนายกเรนมาตรวจเลยครับพาเข้าไปในชุมชนมาถึงที่นี่แล้วก็อีกประมาณสิบสองวันข้างหน้า 35ประเทศมาขอพักูิที่วัดเจ็กวันเพื่อมาศึกษาเรื่องชุมชนประดิจีผมได้ออมอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในตอนับถามว่าที่พักแล้วปรเไปของจะพักโรงเรียนเด็กโรงสาวใน3 0ประเทศพวกนั้นแต่เขาอยากได้่างนี้เพาจะลงไปในชุมชนเรา35ประเทศเรา เราไม่ได้ซ่อมโบสถ์วิหารการบริเยนเพื่อเอามาเก็บไว้เฉยต้องใช้ให้คุ้มค่าให้คงสมกับที่เขาลงทุนมาเป็นร้อยล้านท่านทราไหนเงินที่เขามาลงทุนตั้งแต่ซ่อบเจดีมาจนทุกอย่างเนี่ยไม่ต่ากว่าสองร้อยล้านที่ลงไปแล้วสองร้อยล้านเนี่ยในรอบไม่ไม่ถึงสิบปี เขาไม่ไดเอามาตำลังทิกระลายแม่นะเขาเป็นการรวมทุนนี่ยังไม่รวม6กสิบล้านนี่ยังไม่เสร็จอาทฐานข้งหลังรวมแล้วเกือบสามร้อยล้านเนี่ยเขาไม่ไดเอามาทิ้งท่าเลี้สังคมต้องการประโยชน์ใช้สอยและไม่ต้องการให้เราหวงห่วงต้องเปิดโบนเปิดวิหารเปิดศาลาการเรียนเปิดศาลาปฏิบัติธรรม ไม่งั้นพระเจ้าเปิดมาให้ท่าไทำไะอย่าไปห่งผมและตรงนี้ผมยิน <aurais> ีอยากให้ท <reactions> ่านเป็นนโยบายและเป็นกลยุทธ์ทาต้องเปิดวัดต้อนรับถ้าท่านอยู่เหมือนเดิมและสั่งไม่ได้ไปทํางานที่อื่นผมจะปรับให้ผมไปทำด้าอื่นถ้าท่านเป็นพร้อมที่จะต้อนรับประชาชนเพราะว่าสังคมผมลงทุนให้เราสามร้อยล้านนะครับไม่ให้ไม่ได้อะไรต่อแทน แล้วมหวหวกันอยู่ไม่มีประโยชน์เมื่อสาลาการบริหาเสร็จการไหวยสังฆรราลัก็ต้องกรับในเช่นละ่ะแล้วต้องมาจัดระบบใหม่การถือศีปฏิบัตททิทางข้างบนก็ต้องดำเนินต่อไปพ่อหน้านเราท่านใจตรงถึงขัง้นยังไม่รวมถึงอาคารปฏิบัติทางใหม่60ิลังลเนี่ยได้รับพระราชทาน ตราสอทอที่หน้าวัดจากประเทศพันธราสุาและสมงพระาชทานนามอาคารนี้เป็นนาะของทะเลว่าอาคารสิริพักติในส่วนสุดท้ายสาธารณสุเคราะ ส, สาธารสงคราบก็เพื่อสงคราะประชาชนให้คนเขาได้ประโยชน์จากวัดไม่ว่าจะเป็นยางยานจน ยังเจ็บยันจากยันอะไรก็าตางหลังพว่มไฟไหม้เราก็ต้องดูแลเขาทางรบรรณาธิไม่ใช่ดูแลแต่คนมากมายไม่มีโรงศพจะใ ส, ส่เราก็ต้องส่งมอดูแลครับและบริการต้อนรับให้เกิดสถ า, าสารบรรณสงเคราะหเลือกอันตรีท่านใดให้คนเกิดสถานวันสงกรานต์เมืไหรผมจะให้จัดระเบียบเพราะ ชายาดของข้าของไหวอัตติบันิพระบุรุษเขาเนี่ยมาเห็นพวกเราเป็นระเบียบเรียบร้อยต้อนรับอย่างดีส่วนเป็นที่เป็นถา่าเกิดศรัทธาเห็นไหมแค่สารนักบุญพวาเนี่ยทำให้คนเกิดศรัทธาเลยแค่มาสุดอัตติขณะ น, น, นสงกรานต์เพราะฉะนั้นสารนักบุญพวกก็ต้องเป็นไปเพื่อจะศรัทธาเขามองเขาเตาให้คนมาท่องเที่ยวมาไหวมาเที่ยว ก็จะต้องให้กระคนเกิดสรัทามีธรรมะมีอะไรมาฝักที่ผมพูดอย่างนี้สรุปอีกทีนะครับตั้งแต่ปกครองจนเห็นสาธารณสุ ข, เ, ขเป็นไปเพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชนด้วยกันแห่งแหและการเผยแพ่เป็นขั้นในจนถึงนอกประเทศที่ผมบอกนโยบายว่ากตกปลานอบ้านประส า, านถึงทิดภูมิทั่วโลกบริหารกัญญาสันติกาพอดีผมถามตามนั้น ตอนนี้เราไปถึงต่างประเทศมีวัดอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันอเมริกาแล้วก็มีสาขายอยู่พโพงอีกไปว่นมาที่อื่นเล <c oughs> ยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องเหนื <c oughs> อเพนต่างที่ไปตกลง น, นอกบ้านจงกระทันจงกระทันแต่แม้กระทันเกิดประสานสิ่งิี่ปุ่มมิดกัวร่า เป็นเทใหนนนน้ น, นมามนน ย, รรยากองนายยักตรีนะท่านเพราะในาณะักรพิมารมาตอนเนี่ยมาเยี่ยมุมวัดก็ได้ก่าวว่าตอนนี้เป็นศูนยรวมของศัตรูราศจากสิ่งผิดปุ่ปัิบตกวเราเขาก็มาดูงานวันนี้แม้แต่คนสัมนธอื่นก็มาดูงานที่วัดเราแล้วก็เข้าใจชุมชนในฐานะที่เราเป็นพระก็อย่าไประเกียจเย็นชาเห็นคนขุมหน้ามาะอะไรมาก็อย่าไปทําป็นแตกตื่นต้องรับเขาดีด นี่คือปามีอัจฉริยะใสในการเรียนในห้าข้อที่ผมบอกว่าตรงตาข้าบ้านจนสาริกาข้าอเดียก็ทำไปจากันะและให้ท่านอิจัยด้วยเวลาพรบเข า, าเรียนการเทศในบรรดาของเราแต่ที่จะถึงเทศแล้วับเราวันวันพระหน้านี่เราจะเปิดองค์กรพระนักเทศพวกท่านก็ต้องไปต้อนรนะับเขาจะตั้งให้ท่านทํารายกห้ท่นไป น, นะครับไปช่วยกันเป็นเจ้าท่าช่วยกันดูแล และที่สําคัญก็คือว่าครูท่านเองเขาสอนเขาบรมอะไรเนี่ยไปฟังไปยูดีบ้าถึงไม่ได้เรียนก็เป็นครูพักลักจับเทพเป็นเทศให้ได้รักษากรณีนี้นักเทพของวัดไปยูนเอไว้เพื่อให้วัดประยูนเป็นวัดนักแผลนักเต๋ยแผลตลอดกาผมไปแสดนว่าคุยเยรเยนนื่องวัดระยูนเทพเป็นทุกอย่างเทพก็จะเทพได้เทพ ไ, ไมได้อยู่เสาไฟฟ้า เดี๋ยวนี้สองพิพา้ษามตประเทศเอ<ม>เปิดตลอดปลวลาสรุปแล้วเราเป็นวัดนังเผยแพร่นะครับที่ยุทธศาสตร์มาถึงกลยุทธ์เฉพาะหน้างานเฉพาะหน้านะครับที่ผมขอฝากไปในปีนี้จนถึงปีหน้านะครับที่จะต้องมาดงช่วยกันนั่นก็คือว่าอาคารทั้งหมดเนี่ยนะครับมีกำห น, นเดเสร็จภายในปีนี้ โดยโบสถ์ก็จะเสร็จทักผาผนังวิหารก็จะเสร็จสรารานบริก็เสร็จสราราปฏิบัติธรรมก็เสร็จรรรเจดีเราก็ซ่อมใหม่เพราะมันตกฐานสีเรียมันนะครับตกลงมาแล้วก็ซ่อมใหญ่หรือการทาสีสหมดเสร็จหมดภายในปีนี้ก็หมายความว่าปีหน้าเราจะจัดฉลองอย่าง190ปีเหมือน180ปีที่เราทำมาแล้ว แล้วก็คุณเชิญเสด็จเพราะยังไงก็ต้องมาเสด็จเสด็จมาเปิดอาคารศาลาปฏิบัติธรรมที่เราที่เราสร้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเสด็จมาเนี่ยไม่ใช่จะมาเปิดอาคารอย่างเดียวได้บอกกับท่านจะภาพที่สร้างไปแล้วนะคุณเจริญคุณถามพระนะว่าเสด็จมาเปินดนานฉลองร้อยแปดสิบปีครับเปาฉะนั้นสิ่งที่ร้อยแปดสิบปีที่เราจะต้องทําตั้งแต่ปฏิบัตนะิท่านไปคือทําหนังสืออนุสรณ์ก่อน ชั้มลักระวันถ้าเก่าใหมก่อนบูรณะหลังบูรณะเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งหมดเลยแล้วก็เก็์งไว้เป็นเล่มใหญ่เลยนะฉะนั้นเตรียมการเรื่องทำหนังสืออ่านสอนเตรียมการเรื่องอการขลองทั้งหมดส่วนจากเมื่อไหรก็แล้วแต่สมบุนณาโปภายในปีหน้นที่ได้ปรึก ษ, ษากันภายในแล้วฉะนั้นการตั้งกรรมการต่างๆเพื่อ 190ร้อยเก้าสิบปีนี่มันต้องขับเคลื่อนแล้วเพราะว่าถ้าเราทำหนังสือนี่ใช้เวลาเป็นปีเลยมันภาพแต่และภาพเนี่ยเราจะต้องถ่ายต้องอะไรเก็บไว้ทั้งหมดอาคารตอนหลังเย่ยงอย่างเช่นอุปก่อนซ่อมเป็นยังไงซ่อมเสร็จแล้วเป็นยังไงเราก็ต้องถ่ายเก็บเอาไว้หมดเลยแล้วก็ทําเป็นหนังสือด้านสารุกระารจะเป็นตัวขับเคลื่อนในการจัดการร้อยปสิบปีนั่นเองแต่ด้านอื่นก็ต้องัำ ผลงานในรอบที่ผ่านมา 10-20 ปีด้านปกครองจะถึงการพประการทำอะไรเราก็จะรวมเป็นหนังสือ190ปีวันปรยุรบุรสามบ้าเพราะฉะนั้นในปีหน้านะครับเราจะจัดงานใหญ่ฉลองวัดประยุรบุรสามบราฉลองที่เราบูรณะเสร็จเกือบทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เจดีย์มาไล่ไปจนสารากา ร, รเรียนเจนอาคารหลังใหม่ด้วยก็เป็น เ, เรื่องที่ ทิศทางที่เราจะได้เดินหน้าต่อไปแล้วก็ประสานกับชุมช น, นหลายฝ่ายเข้าใจว่าแม้แต่หน้าวัดของก็จะสร้างศูนย์ชุมชนด้วยตรงรงิมริมเอท่าเทียบเรือเราตอนนี้เราได้ที่ทรัพย์สินส่วนรวมแล้วครับและก็จะ ส, สร้างเป็นศูนย์รวมของชุมชนโดยได้ประมาณราดับขนมอบานส่วนนะครับทั้งนอกวัดในวัดเนี่ยมัจะประสานกันหมด เราจนจะต้องตื่นตัวและที่สำคัญนะครับในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกัะแต่ปกครองจะตึงสาธารรสุขร้อมต้องดูแลรักษาอาคารพร้อมให้บริการแก่ประชาชนและเมื่อมีอาคารสถานที่ร้องเนี่ยอย่างเช่นอาคารสาราปฏิบัติธรรมหรือสาราการประเรศก่มทั้งหลายจากขานอกต้องการที่ต้องการที่จะมาเพื่อทันศึกษา นักเรียนทั้งหลายหรือมาปฏิบัติธรรมเราต้องอยู่ร้องตั้งหลักอยู่ที่นี่เลยพระมหาเทระั้งหลายทีเ่เป็นที่ต้องการของข้างนอกก็ต้องเจียนเวลาให้กับที่นี่มาเพราะว่าเขามันที่เราเราก็จัดตรางาของลมไฟฝ่ายเว่าอะไร ก, าาก็จัดตลาดพระเจ้าเทระของเราเนี่ยอยู่พบญาติอยูย่เพื่ออะไรอะไรเจ้าว่าอยู่พบวันไหนเราก็บริการทั้งในแลนอกนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปล โบนวิหารการเรียนเนี่ยเพื่อข้ามาแล้วเนี่ยครับราคาแพงมากในการลงทุนรักษาคนมาก็อยากสมุนผมก็ฝากตรงนี้นะครับก็ตู้รับบริจาคเราไม่ค่มีตู้รับบริจาคที่จะมีในสถานที่ที่เราจะเปิดโถมทึของมทั้งประเทศดีเนี่ยเราไม่มีมันมีน้อยคนก็เลยมายกไปอั้นท่านละละอันมันก็คงจะกระจายกัน เอาให้มันเยอะมันจะได้ยุ่งไม่ไหวแล้วก็ทำนะครับในงานนั้นๆ like ั fandom. ้นๆเพราะอะไรมันจะเป็นค่าบำรุงรักษาดูแลต่างๆไมงั้นใครจะดูแลรักษาเราเต่าขึ้นมาเราก็จะต้องมีงบในการดูแลบำรุงในฝ่ายของการเงินก็จะต้องดูแลในเรื่องเหล่านี้ด้วยในเรื่องของการบริจาคไรต่างเราต้องถือว่าเมื่อวัดมาถึงจุดนี้มูลค่าเพิ่มมหาศาลครับ มูลค่าของวันเนี่ยเพิ่มมาหนาสักอย่างที่ท่านเลขาวัดว่าชักสินเพิ่มมานเท่าไรอะไรกันเนยถ้าเราไม่ดูแลคนเข้าออกในพิธีการทุกอย่างเนี่ยความกล่องไส่ก็จะ็นปัญหาเพราะฉะนั้นการทำบัญชีคนอยู่วัดเข้าวัดรุกสินต่างๆนี้จำเป็นครับอาศัยก็ต้องทำพร้อมสนหรับสลุดที่ท่านเลขาวัดตัยังไรเราต้องสนทนว่าใครเปใครวานพักช่วงข่าอย่างไร ไม่ใช่ฟังเจ้าคุณท่านเทศเรื่องักคองมอัอต er ์ไซน์นนแะมันอุตส่าห์เป็นหนูวัดเราปลอดภัยรามท่านกำมาบอกัคอมอัลต์ไซน์ท่านเดียวดีจุงอ็ไปเยสิ่งเหล่านี้ก็หมายถึงว่าเมื่อวัดเราดีขึ้นเจริญขึ้นเราก็ต้องเป็นเป็นตาช่วยกันดูแลรักษาทุกอย่างเป็นของพวกเราและคนที่มาอยู่เราก็ต้องัเลือดเพราะวัดเราะวัดมีชื่อเสียงดีมีรากมีอะไรมากมาย คนก็อยากจะมาอยู่ไม่แอบอยู่มาอะไรอยู่การทําบัญชีการสมบูรณ์การรับรับอย่างมีเงื่อนไขว่าต้องมาเพื่อเอผยแพ่มาเพื่อศึกษาอย่ามาเพื่อรากอต่ลิงมันก็จะต้องเกิดขึ้นเพื่นะมาันถึงเวลาที่มันจะเล่นตัวตอนไม่มีอะไรยังจนอยู่เราก็ไม่เล่นตัวนะแต่พอมันมีขึ้นไม่ใช่ใครจะมาไี่ ง, งนะ่ายเไม่ใช่อยู่กับไปบวชวัดหรือแล้แอบมาอยู่นี่ได้ยินประกาศชื่ออยูหรือ รับเข้าออกถูกต้องมีผู้รับรองนะอย่างนี้เป็นต้นนึสามัญระดับเพิ่มขึ้นท่านเห็นหรือไม่ว่าถ้าท่านอยู่ท่านจะไม่รู้เราอะไรมันเป็นใครแต่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องรับรู้ทุกอย่างและกําหนดเป็นนโยบายเป็นทิศทางเดียวกันและก็ทําให้เป็นถูกต้องหมายเดียวกันวัดเอ่อวัดของเรานะครับผมสรุปสุดท้ายที่สถานการณ์ที่มีปัญหาที่มันที่นี่วัดนวัด น, นี้วัดของเราอยู่ยันนโยาบายธรรม บ, บัญญว่า ทำมาทิบานมันจะปกป้องสุครองของเ ร, งรง า, ามันอาจจะไม่ไม่เจริญ่หรือหวานนะครับแต่ถ้าเราทาใช้ทรรมภิบาลดังที่ผมกปกาศตั้งแต่ปีแรกที่รับตำแหน่งเจ้าวาวาัดเราก็จะเจริญไปเรื่อยๆอไม่มีปัญหาอะไรหกข้อนะครับทําอรมะทบ้านผมพูดตั้งแต่เป็นเจ้าวาน ใ, นใหม่ๆแล้วคนจะไม่ทำเป็นพวกเกินทองตัวหนึ่งการมีสนร่วม ไม่ว่าท่านทําอะไรบอกกันแจ้งกันอย่าน้อยขาอนุญาตในถึงเจ้าว่ า, าได้เป็นตามระดับเรามีประธานในระดับแม้แต่จะเบิเกเงินก็บอกใหก้ได้ผมทํามาเป็นระบบในยุคที่ผมเป็นเจ้าว่าดแต่ถ้าจะเบิเกเงินสิบบาทยี่สิบบาทผ่านเส้นตผ่านประธานเป็นอย่างน้อยาาประธ า, านจะรับปฝ่ายที่บริจาครู้ไม่ใช่มาถึงมาทำเพราะเราก็เก็บหลักฐานไว้ท่านเบิกไปทําอะไรเรื่องนี้ย่งไร ไปสร้างไปอะไรไปไหนผมเก็บไว้หมดเพราะฉะนั้นเรื ม, มาถามเรื่องใช้ไปทําอะไรนี่วัตยุทู น, นีหมดแต่จะแสดงไม่เลื่อนอีกหนึ่งมีมันอยู่ที่ไหนยังหาไม่เจอเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์อะไรมีหมดทุก อ, อย่างหลัถามเราพร้อมแเดงไหมดแล้วเราจงรีบผิดหาเพราะว่ามีขั้นตอนในการตรวจสอบมีขั้นการฝ่ายการเชื่จกคุณศรีธรรมบาลในเป็นประธ า, านราเรารายงานหมดและถ้าจะเบิกเงินยากหน่อย ผมทำไว้ตั้งแต่ต้นเลยไม่เหมือนวัดทั่วไปท่าจะต้องขออนุ ญ, ญาตข อ, อมัติแม้กระทั่งเดืนเดือนของท่านเนี่ยเซ็นมาเป็นาลายลักษณ์และตอนนี้ท่านก็เห็นว่าวัดที่ทําอย่างนี้ปลอดภัยเขาไม่ไปยุ่งเลยเพราะระบบของตลิ่งเดินกา ร, รมีส่วนร่วมสองเรื่องของโปรง่งใสโปร่งใสหมายถึงมองสะลุไม่มีลับหลบหนีจะทําอะไรก็ตามชี้แจงได้ครับ บอกได้ผมทําอะไรตรงไหนใช้เงินทําอะไรมีหลักมีฐานทําเป็นตามางเป็นตารางเบียดไม่ว่าเงินเข้ามาเข้ามาเมื่ออะไรตอนไหนเอาไปใช้ทําอะไรมีหมดสํานักงานทรัพย์สินตุลาหารกสทชทํกกางานแต่ว่าราวนี้สบายใจเงินเข้ามาข้าวขาขนาดนี้สิบกว่าล้านนะผมจำไม่ได้เปิดบัญชีไว้จะเปิดแต่ละบาทนี่นะผมแค่ เซนกลายเป็นผมเจะเซนเนี่ยกรรมการของทรัพย์สิสนกรรมการของเราอะไรต่างเนี่ยดูแลก่อนว่าถึงผมเซ็จะเสร็จอย่างนี้เป็นตัวเพราะฉะนั้นทั้งหลายก็สิ่งต้องสบายใจนะเขาชอบมาทำงานกับเราเแต่และแห่งแต่และที่ทาไปตั้งแต่ตั้งแต่เขาเหมาะปรุ ง, ง, ง, รงสรร์ตรวจสอบได้ข้อที่สั่งรับผิดชอบ มีปัญหามาอย่างว่าอย่าแต่รับผิดอยเดียวอ้อย่ารับชอบจยเดียวมอ่ใ่่่่่่่่่รับ่ิ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่ร่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่ร่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่็่่่่่่่ กฎระเบียบปกครองด้วยกฎระเบียบกฎหมายพระธรรมที่ไหนและประเพณีเราเคยอยู่กันมายอย่างไรเราจัดรักษาประเพณีอย่างนั้นจนะสักเกตเห็นผมให้อำนาจเจ้าคณนะท่านดูแลปกครองในกระสมยัยขุภาพมรรยายีเรามีองค์การสี่เพิ่มเป็นห้าอันนี้เป็นประเพณีแต่ถ้าประเพณีของท่านไมได้ผล เราว่ามันขัดกับระเบียบขัดกฎหมายเราก็ต้องปรับหรือก็ต้องยึดอำนานจะเป็นมาตรฐานที่สี <c oughs> ่เพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีประเบีีผ ม, มก็าอาจท่านท่านก็ทำให้มันดีผมก็ไม่ต้องใช้มาตรฐานสี่ 4, ผมกล่าวว่าเราก็รักษาประเณีของเราต่อไปนี่คือข้อที่สี 4, ่เรื่องของอกฎระเบียกบกฎหมายข้อที่ห้าประสิทธิภาพไม่มีประสิกิภาพ แต่ทัานสอนแค่นี้แต่นักเรียนสอบตีเยอะผมที่ยักเรกรดก็คุ้มอะไรก็คุ้มประโยชน์สูงประหยัดสุดเขาเรียกประสิทธิภาพส่วนประสิทธิผลประสิทธิผลไม่เห็นเรื่องคุ้มทุนสมมติเราจะลงทุนเรียนกังทีองค์ก็ไม่รู้ถูกแพงยังไงไม่ทราบรู้แต่ว่า ปีสองปีเราได้ประโยชน์กล้าสกรูถึงคุมเลยทันเพราะเวลาได้ประ โ, กโยกล้ามโฆษณาไปทั่วแต่ตอนนี้เราก็ต้องสราา้างประโยชน์กล้ามขึ้นมาแพงหน่อยก็ไม่ได้ซื้อตัวเป็นทีมบอลกลาหลายวันเยะเขาเร เ, ลเาลงคุนอย่างนี้เขาซร้อ ม, มูลกันแหละวันนี้ก็นหา ย, ยากอยู่แพงก็ไม่ว่าแต่ว่าเวลาได้ผลมันประสิทธิผเน้นผลเหมือนทานป่วยอย่างเงี้ยถ้าท่า น, นเน้นแต่ประโยชน์สูงประหยัดตุดไปโรงพยาบาล3าบาทนภาต่างหา แต่บังเอิญก็มีรถร้านเอกชนอยู่ใกล้ๆเนอะแพงแสนแพงต้องขายรถจ่ายเงินแต่ถ้านพ่อตายอ่ะเราก็เอาเอกชนที่ม็นอยู่ใกล้ๆเขาเรียกว่าประสิทธิผลบางทีเราต้องนิมนตพักผู้ใหญ่มาจ่ายแพงแต่มันดังอ่ะโอ้ก็เอาสิหรือว่านั่งโบเลยนะได้ลุงปู่ลุงพ่อมาจะแพงแต่ว่าสักสิธ์ุ่นนี้นะเนี เราก็ต้องลงทุนตนี้เ็นเน้เนไปสิทธิผลถ้าจะไปหวงแต่ประสิทธิภาพมันปุกบางทีมันตายกันก่อนอะหวงแต่รักษาอยู่นะให้มันปุกอะไรต่างเนี่ยเราก็บางครั้งเจ้าว่าหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยของบ้านตัดสินใจอะเรื่องนี้ต้องมีเงินเรื่องนี้ต้องมีเเรื่องนี้ต้องใช้เงินเพื่อประสิทธิผลวิธีนั้นเราจะเสียหายได้แตเราก็ทำนะครับอันนี้เขาเรียกําราะที่บาปของข้อเนี่ยข้อที่ห น, นึการเมนส่วนร่วม ให้ท่านมีส่วนร่วมทั้งหพยายามมาทำช่วยกันตัดสินใจช่วยกันคิดมีรูปคณะกรรมการทั้งถ้าโครงการเนี่ยมีการมีส่วนร่วมมีผู้ช่วยจ้าวาดการมีส่วนร่วมข้อที่สองเรื่องของความโปรง่นะงใสตรวจสอบได้มีหลักฐานเก็บเอาไว้ใครจะเบิกเงนที่นึง่ทงทเรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้โปรง่งใสข้อที่สรับผิดชอบต้องมีคนรับผิดชอบ ในการในหน้าที่นาําแหน่งต่างอย่างวัดเรานี่ยเจดีใครรับผิดชอบโบสถ์ใครรับผิดชอบเองเขาเรียกว่ามีการรับผิดชอบไม่ใช่ว่าตั้งคณะกรรมการอย่างเดียวจะไม่มีคนรับผิดชอบข้อที่4ี่ครับเรื่องของกฎระเบียบต้องรักษาเรื่องจริยธรเมดีพระธรรมวินัยเราก็ต้องปฏิบัติต่างข้อที่5้ประสิทธิภาพคุนทุนและข้อที่หประสิทธิผลมุ่งมุ่งผลผิตที่ได้คุณภาพ อย่างเช่นทันเทศนะครับการเปทันเทศเราจะรู้เตีย้ยเยอะแยะหมดเลยครับไปออกทีวีไปออกทีวีเนี่ยต่างก็ไม่ได้บางทีเลยแต่พูดทีเดียวนี่มันแก้งตัวเลยนะไปทั่วประเทศเลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไป็ไมได้กี่บาทไปทําไมแต่กายเป็นว่าประสิทธิผลผลกระทงเนี่ยมันเยอะเวลาคนก็มาถ่ายทำข่าวเนี่ยท่านจะนึกก็ เียัก็ไม่ได้ตอนรับผู้สื้อเทาอย่างไรก็ได้แต่มันถ่ายภาพ้นัวเราไปอะไรไปเต่าตัดกันเองมันสมัยหนึ่งมันโอ้ยไอ้ไอ้ที่ดีๆมันก็ไม่ทำมันไม่ทำเก่าเต่ากันอสมัยก่อนตัดกันน่ะมันเป็นเหเออนั่นแหละไอ้เรื่องอย่างนี้ท่านจะระวังมันมันมีผลกระทบที่เยอะเราก็ต้องดูแลต้องหงต้องจัดการอย่าูเบาอันนี้คือหลักคำว่าิบาที่จะทให้ วัดาวนี้จะเดินล่วมหน้าต่อไปแล้วก็ผมพูดเรื่องธรรมะพิบาลิตั้งแต่เป็นเจ้าวาด่ลยดี แ, แล้วผมก็ทำไปอย่างนั้นตลอดทุกท่านมาใหม่ๆอันจะยังไม่ไา้เรื่องกลยุทธศาสตร์ผมก็พูดแต่ว่าันนี้สรุปเป็นบักลยุทธศาสตร์การเผยแพร่กลยุทธ์ในการที่เอาทุกอย่างเนี่ยรวมไปที่การเผยแผรและปีหน้า194ครับเราเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมอะไรตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดงนานส่วนว่าวานเมื่ออะไรไงเพาะว่าดีหลายอยา่างเนี่ยต้องทำลูกหน้าเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องการถือเป็นต้น ถ, ถ่ายภาพเก็บภา พ, ภา พ, ภาพของวศาสต์ชั้มรักทั้งหลายใครอยากใครอยากจะไปอยู่ในภาพในสิง่งก็ถ่ายภาพรูพอเาาอเ า, า, อเา ไ, ป ไ, ปไว้คณะนั้นคณะนี้ถึงเวลาเขาอยากได้เป็นจริงแต่ท่านไม่ถ่ายไว้หรือวันที่เขาถ่ายท่านไม่อยู่ท่านก็ไอยู่ใตทีโอ้ผมบอกลูกหน้าไว้เราจะหาาไม่เจอคร <c oughs> ับน